พระบัญญัติ176ก็ภิกษุใดยเย็บหรือใช้ให้เย็บจีวรให้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติต้องอบัติปาจิตตีเรื่องพระอุทายีจบ